อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอนําเสนอรายการแรกในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่9มิถุนายนนะคะเป็นเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนแล้ววันนี้เป็นวันแรม5ค่ําเดือน7ค่ะเราก็จะเริ่มรายการด้วยรายการธรรมะรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็เป็นการเสน อ, อธรรมะดีๆที่จะเป็นแง่คิดเป็นประโยชน์ แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านาเป็นสิริมงคลกันโดยเสมอมานะคะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระอาจารย์ภัยบณ์อภิปุนโนค่ะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตราการปฏิบัติธรรมรีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่โน่นเลยนะคะไกลเลยตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งวันนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโซท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศทีเดียวค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาสนทนาพูดคุยหรือที่เรียกกันว่าสนทนาธรรมะสากัญชากับท่านพระอาจารย์ไพบุร อภิพุโนเหมือนเช่นเคยนะคะก็ขอนํามากราบนมัสการพระอาจารย์ภัยบูน์อภิพุโนพร้อมกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริฟอนสาธุเจ้าข้าคุณเตือนใ้เจ้าค่ะอุดรธานีไม่ไกลหรอกไม่ไกลเลยเจ้าข้ะนั่ขึ้นบินชั่วโมงเดีขับรถก็จะไกลแล้วนะคือถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ไกลกันมากขึ้นรถโดยสายก็แปดชั่วโมงใช่ไมั้งแต่วันขึ้งบินก็ชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็คือในเมืองไทยเองเนี่ยมาคิดว่าการเดินทางมันสะดวกเรามีถนนหนทางไปรวดเร็วช้ า, าบ้างเร็วบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีความสะดวกนะความสะดวกมันก็เพิ่มขึ้นถ้าพูดถึงความสะดวกมันก็ทำให้ระยะทางที่ไกลนี่ก็ดูเหมือน ใ, นใกล้ลงไปได้เจ้าค่ะแล้วยิ่งมีพระอาจารย์ดีๆด้วยนี่ก็อยู่ที่ไหนก็ต้องไปนะเจ้าค่ะดันด้นไป<笑><笑>อบรมให้ได้นะเจ้าคะ่ะ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเราเคยคุยกันนะเจ้าค่ะในสัปดาห์2อสาัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่เดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนีเจ้าค่ะเป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งปีนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองที่เรียกว่าประเทศไทยเราก็รับเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขาบูชาโลกนะเจ้าคา่ะจัดกันไปนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนถึงวันวิสาขาบูชาที่2มิถุนายนก็คือจัดตั้งแเ่16พฤษภาคม ดิฉันก็ได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้มารับทราบถึงสิ่งที่เป็นแก่นคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนพระอาจารย์ของเราที่เราเรียกกันว่าอะไรที่มีเป็นเหตุเป็นผลกันหรือเป็นภาษาบาลีว่าปฏิจจสมุปบาท ซึ่งพระอาจารย์ไพบุญก็ได้เมตตาที่จะสากระฉามาคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามพระฟังเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์ทุกเสาร์อาทิตย์นั้นคงจะได้แง่คิดต่างๆไปมากมายแล้วค่ะแต่สําหรับในเช้าวันนี้เดยฉันคิดว่า อ, อยากจะขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิบุนโนอีกสักนิดหนึ่งว่าพระอาจารย์มีอะไรที่จะเน้นย้ำไหมเจ้าค้าที่ว่าเราได้พูดคุยผ่านไปละทั้งหมดว่ามีกี่คู่กี่คู่ต่างๆซึ่งก็ถือเป็นแก่นคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก่นก็มีเรื่องที่สําคัญที่จะพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปาทเนี่ยนะคือการทํางานที่เป็นเหตุเป็นผลนะสิ่งที่ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณเตนใจต้องทราบเลยจําไว้ให้ขึ้นใจเลยก็คือว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดนะพระเจ้าพูดคํานี้อยู่บ่อยมากเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปอันนี้คือหลักการที่ง่ายๆที่เราจะต้อง ำจำให้ได้นะจำให้ได้บทนี้บทเดียวเลยนะคือจำบทอื่นไม่ได้เขียนหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ไดขอให้จำบทนี้ได้นะเราจะเข้าใจศาสนาทั้งหมดเลยคำสอนพระเจ้าทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้แม้ตัวพระพรุทธเจ้าเองนะคุณตนใจมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยก็เพราะกฎนี้เหมือนกันนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ตถาคตมาเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยพูดคําแรกเลยเพราะเพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์ แล้ตัวเองยังบอกเองเลยว่าที่ตัวเองมาเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยเพราะเหตุนี้เหตุนี้โอ้เป็นเหตุผลนะเนี่ยเป็นเหตุผลนะเป็นเหตุเป็นผลกันนะเจ้าค<ฆ>่ะเพราะนี่คือข้อที่1 น, นะที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นนะอันนี้จำไม่ได้นี่ขาเกิดและขาดับก็มีนะเพราะสิ่งนี้ดับนะเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปอันนี้ก็ต้องจาให้ได้นะเจ้าค่ะทั้งขาเก<ฆ>ิดและขาดับข้อที่ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัย เราตอนแรกตัวธรรมาเองก็สงสัยนะว่าพบเนี่ยคำว่าพบพอสัมเปลาพอพานเนี่ยคือสถานที่เกิดเนี่ยนะที่พรทธเจ้าบอกว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมีมีภาษาใช่ไหมจิตของเรามีภาษานะซ้ำอีกครั้งหนึ่งจิตของเรามีภาษาต่างๆหูจ ม, มูกลิ้นกายใจจิตของเราก็จะมีเวทนาคือความรู้สึกใช่ไหมไอเวทนาความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นในจิตเสแล้วจิตก็จะมีความอยากตัณหาพอจิตมีตัณหาแล้วจิตก็จะมีอุปทานความยึดถือแล้วจิตก็จะมีพบ พบตรงนี้หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นพบแบบเป็นโลกเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพบลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งใช่เหมือนกันอันนี้ก็ถูกอยู่แต่คําว่าพบเนี่ยมีลักษณะที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกคือพบเนี่ยคือสถานที่เกิดถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะเป็นสถานที่เกิดแล้วถามว่าอะไรล่ะที่จิตของเราไปเกิดได้คือจิตของเราตอนนี้มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วนะ เกิดมา <Okay. S 1> เป็นคนแล้วตั้งแต่ตอนเช้า8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโงเยนเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยจิตคุณก็ไปเกิดอยู่ในภพอีกหลายๆครั้งด้วยซ้ำนะคือในชาตินี้สูงเรามายุสัก80ปีหรือ90ปีหรือบางคน100ปีเนยนะในช่วง100ปีเนี่ ย, นะ <Okay. S 1> ย, ยอุ้ยคุณจิตคุณไปก้าวลงสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้คิดก้าวลงสิ่งนั้นเกิดดับเกิดดับเป็นไม่รู้กี่รอบแล้วนะเหมือนบางคนมีแฟนหลายๆลายคนยนะ <Okay. S 1> ก็แบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันมาจิตของเราก็ลักษณะว่าก้าวลงในอารมณ์ในความคิดต่างๆ เป็นอย่างนี้นะที่เรายกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเตือนใจพูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือเจ้ค่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นรุ่นเก่าๆที่เรามีเนี่ยเออเราโยนทิ้งไปแล้วเราไม่ใช้อันนี้มันโอ้ยทำไมปุ่มมันมีแต่ปุ่มเยอะแยะไปหมดฉันจะเอาแบบไม่มีปุ่มอย่างเงี้ย น, นะเจ้าค่ะปุ่มเยอะแยะเราจะโยนทิ้งเลยนะจิตเราตายแล้วตายจากภพนั้นแล้วนะจิตเราไปเกิดแล้วในโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ยังไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำบางรุ่นยังไม่ออกเลยไอโฟนห้าอย่างเงี้ยยังไม่ออกบางคน จิตไปก้าวลงก่อนแล้วฉันต้องซื้อออกมาฉันต้องซื้อเลยคือมันยังไม่ออกนี่จิตกันแรกก็ไปเกิดในนั้นแล้วด้วยซ้ำเจ้านะค่ะเพราะนั้นไอ้จิตที่เราไปก้าวลงตรงนี้ยเพราะว่าความยึดถือนะคือเราฟังข่าวว่าโอ้ iPhone 5จะออกแล้วพอฟังข่าวว่า iPhone 5จะออกปุ๊บอยากได้ขึ้นมาทันทีนะฟังนี่เป็นภาษานะภาษาปุ๊บจะมีเวทนาความชอบใช่ไหมฉันอยากได้ฉันชอบนะฉันก็เลยอยากได้จึงมีความอยากนะเพรอจิตมีความอยากจิตจึงมีความยึดจิตมีความนี้จิตจึงมีพบ ไปก้าวลงในไอโฟน5ที่มันยังไม่ออกด้วยซ้ําเจ้าค่ะเจ้าค่ะพอจิตมีทุกข์พอจิตมีอไปการเกิดแล้วเป็นยังไงพอมันไม่ออกเราจะจี๊ดมากเจ้าค่ะพอมันไม่ออกตามกําหนดของมันเนี่ยเราจะมีความทุกข์เลยน ะ, ะก็จะมีความทุกข์ความโศกความรํารนดําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายตามมาเป็นพรวนเจ้าค่ะทีนี้พอเรามีเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อความยึดถือมีพบในไอโฟน5เนี่ย ไอ้พวกของอื่นๆที่เราเคยมีมามันเริ่มมันเริ่มจางไปละมันเริ่มจะตายละแต่ตรงนี้ก็คือความตายนะจากภพที่ที่เรามีอยู่ไอ้โฟนสีที่เรามีไอ้โฟน3ที่เรามีหรือว่าไอ้โทรศัพท์อะไรที่เราแบบเก่าๆมากแล้วเราจะเริ่มโยนทิ้งเราจะเริ่มไม่ชอบมันละต่างๆที่เมื่อก่อนนี่โอ้โหรักมากเป็นรอยขูดขีดนิดนึงไม่ได้เลยพอมันเริ่มตกเริ่มอะไรเราเริ่มเริ่มเกลียดมันละเริ่มที่จะคลายความกำหนักยึดถืออันนี้เป็ลักษณะนี้เพราะฉนั้นภพเนี่ยจึงมีเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป ทําไมโทรศัพท์มือถือของคนอื่นนะเราไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอะไรนะสมน้ําหน้าโดยซ้ำถ้าว่าเขาทําตกหรือว่าทำขูดขีดมันเองนะในขณะที่โทรศัพท์มือถือของเราเองเพิ่งซื้อมาจากร้านถ้ามันหล่นถ้ามันตกเราก็มีอาการเป็นทุกข์นั่นคือพบของเราแล้วแล้วไอ้การเปลี่ยนพบเนี่ย ม, มันได้ง่ายมากรถคันใหม่เราซื้อมาปุ๊บเกิดละเป็นพบของเราละ นะเด็กเด็กเล็กเด็กน้อยเขาแม่ซื้อของเล่นให้ใหม่อันนี้เป็นพบของเด็กนั้นทันทีนะจิตเขาจะไปก้าวลงยึดถือทันทีนะหรือก่อนซื้อด้วยก่อนซื้อบางทีอยากได้เนี่ยก็จิตก้าวลงละจิตมีพบละนะยังไม่ทันซื้อด้วยซ้ำเจ้าค่ะหรือบางคนมีอยากได้ในตำแหน่งอันนี้ก็เป็นพบของเขาอยากได้ชื่อเสียงนี่ก็เป็นพบของเขา จิตไปก้าวลงตรงนั้นนะเจ้าค่ะใ ช, ะใชนี่โยมพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าคําว่าพบหรือว่าพอสัมเพาพอผ่านเนี่ย น, นะเจ้าคะ่ะซึ่งเราคิดกันว่าอาจจะเป็นพบชาติอะไรซึ่งในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นสถานที่เกิดที่จิตใจเราไปมุ่งตรงนั้นนะเจ้าคะ่ะคือเอาจิตของเราเนี่ยไปใส่ในสิ่งนั้นก็เหมือนกับเราเป็นเป็นสถานที่เกิดของจิตในจุดใหม่จุดใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องคื อ, คอที่เขาเข้าใจกันนั้นก็ถูกอยู่นะ ก็หมายว่าเป็นชาติเป็นแบบเป็นภพเป็นชาติอย่างนี้ก็ถูกอยู่อันนี้ก็ถูกอยู่อันนี้ก็ขยายความตรงนั้นขึ้นไปด้วยเพราะว่าจิตเรามันเกิดดับตลอดเวลาไงแล้วคําสอนของพุทธเจ้าตรงเนี้ถ้ามันจะใช้ในการข้ามภพข้ามชาติแบบที่เป็นตัวเป็นเป็นเป็นอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะตายชาตินี้ไปเกิดอีกชาติหนึ่งอันนั้นอันนั้นมันก็จะทําให้คําสอนพุทธเจ้าจะขัดกันในบางส่วนแต่ถ้าเราพูดถึงภพชาติของจิตนะไม่ใช่ภพชาติของร่างกายนี่นะโอ้อันนี้มันจะอธิบายได้หมดทุกอย่าง นะพบชาติของจิตเราเกิดเกิดดั บ, ดบ เ, ด เ, าาด เ, เกิดดาาัดด บ, ยดบ อ, ยยอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตเราตายจิตเราเกิดจิตเราตายจิตเราเกิดในภพตายเกิดในภพอยู่เนี้ยอยู่ตลอดเวลาพอกายนี้มันจะแตกกายนี้มันจะแตกนะมันก็จะลักษณะเดียวกันตายจากกายนี้ไปก้าวลงในภพซึ่งเป็นกายใหม่ที น, นี้ในกายของเราก้อนเนี้ยก็มีตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่แล้วตลอดเวลาเจ้า่ะอย่างเงี้ยนะแต่ภพที่ไปเกิดเนี่ยจะเป็นภพที่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นกายนะเป็นภพที่คือเป็นภพที่เป็นกายก็ได้นะอย่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยเขาสามีรักภรรยามาก หวงภรรยามากภรรยานี่ไปทําอะไรเไม่ได้เลยหึงตลอดเพราะฉะนั้นสามีเนี่ยจึงก้าวลงในกายของภรรยาเลยะจิตใจของสามีนะจิตใจของสามีนะก้าวลงในกายของภรรยาเอากายของภรรยาเนี่ยเป็นภพของตัวเองของจิตไปก้าวลงยึดถือเขาแล้วอันนี้ของฉันห้ามใครแตะมั่นถือมั่นเพราะเป็นของตัวเองนะเจ้าค่ะห้ามใครแต่ห้ามใครคุยด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นกายของคนอื่นนะที่ที่เราไม่ได้นั่นด้วยก็ยังไปลงก้าวลงได้ออืเจ้าค่ะ อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่พระอาจารย์อยากจะขยา ย, ยให้เห็นชัดๆนะเจ้าข้าว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็จะเป็นสรุปว่าเรื่องของพบในในที่นี้ที่พระพุทธองค์พูดในปฏิจจสมุทบาทนี้จะเป็นเรื่องของสถานที่เกิด ก็คือของใจเราว่าใจเราไปก้าวลงหรือไปสนใจไปยึดมั่นถือมั่นในอะไรไปมีจิตใจรักชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยเจ้าค่ะก็คือตัวตันหาที่ว่ามีทั้งความอยากมีอยากเป็นกับไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คืออันนี้นี่เองถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องอ๋อสาธุเจ้าค่ะคือตรงนี้มันจะอธิบายการทํางานได้หมดทุกอย่างเจ้าค่ถ้าถ้าเราว่าเราจะเฉลิมฉลองปีพุทธเชียนตีของพระพุเาเลิศรู้มากเรามาเป็นธรรมทายากันเถอด <น>แทนที่จะเป็นอมิสถายาใช่ไหมเรามาเป็นธรรมทายาทโดยการเข้าใจธรร ม, มะหบดนี้พยายามที่จะพูดให้ลึกซึ้งและคือคืออาตมาจะพูดในช่วงที่เป็นวันธรรมดาก็ได้นะแต่กลัวท่านผู้ฟังจะไม่เข้าใจแล้วก็เลยต้องมาพูดตรงที่เป็นสากฉาเพื่อให้คุณใจใจถามเพื่อให้มีการถามตอบเพื่อได้ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะคล้ายๆโยมจะได้เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้าน<ต>ซึ่ง<อ><อ>ไม่เป็นคารวาสแหละไม่ค่อยรู้ทางด้านศาสนาเท่าไหร่ก็จะได้เกิดความเข้าใจนะเจ้าค่ะใช่ <น>ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคือต้องพูดคํำนี้จนให้มันฟังเป็นฟังคาเป็นธรรมดาไปเลยนะคือทําที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเนี่ยยังมีเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่อีกหลายอย่าง อ, าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือพูดถึงตันหาเนี่ยคือความอยากเนี่ยที่มันเป็นเหตุของตัวทุกเนี่ยนะไอ้เจ้าตัวตันหาเนี่ยคือคนอื่นๆเนี่ยคือสมัยสมัยที่พระเจ้าของเราเพิ่งตรัสรู้เนี่ยนะ หรือตั้งแต่สมัยก่อนบริการที่พรชเจ า, ก, ากำลังทำความเพียรอยู่เป็นโพธิสัตย์อยู่เนี่ยขเขามีความเชื่อว่าความทุกข์ของตัวเราทั้งหมดเนี่ยความทุกข์ของเรานะเออทำไมฉันมีความทุกข์ทำไมป่วยไปอะไรพวกนี้ก็เพราะว่าเทพเทพยญดาพระเจ้าบันดาล น, นะเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นใครก็ไม่รู้นะทำฝนให้ตกทำฟ้าให้ร้องทำไฟให้เกิดพวกนี้ก็พวกนั้นแหละเป็นผู้ที่บันดาลให้ฉันมีความสุขความทุกข์เขามีความเชื่อแบบนี้จุกค่ะทีนี้พอพระารตรัสรู้แล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุของความทุกข์นะไม่ใช่พวกนั้นแต่อยู่ในใจของเรานั่นคือตัณหาเอ่อพอพวกปัญจัมกีเนี่ยอรมามีความคิดอย่างนี้นะว่าภิกษุ5รูปที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักอะแสดงธรรมจักที่ป่าอิสิปตนะมฤคตยวันค่ะสมัยนั้นเขามีความเชื่อกันว่าโอ้ยความทุกข์ของเรานี่เป็นเหตุนะเหตุของความทุกข์มาจากเทพยดานู่นสวรรค์ชั้นฟ้าพระเจ้าอะไรพวกนี้นะมาบรรดาให้เรามีสุขหรือมีทุกข์ เราต้องบนบานสารกลา่าวเราต้องทําตัวประหลาดประหลาดเราทําตัวทรมานตัวเองเพื่อให้ท่านเหล่านั้นพอใ จ, จแต่แต่พอพุชธามาบอกว่าเหตุของความทุกข์คือตัณหาโอ้มันมันพลิกเลยนะเป็นความรู้ใหม่วิทยาการใหม่ทันทีนนคือเป็นเรื่องทวนกร ะ, สะแสล่ะแทนที่เราจะบอกคนอื่นผิดคนอื่นทําให้เราทุกข์เราต้องไปอ้อนวอนเขาหรือไม่ก็เราทําให้เขาพอใจหรือไม่ก็สู้กันละแต่พระพุทธาบอกวความทุกข์จริงๆอยู่ในนี้ในจิตทวนกระแสเข้ามาในจิตของเราอยู่ในตัณหานี่เอง ตันหาอยู่ในใจคุณนะ่ะในใจฉันในใจทุกคนเลยมีตันหาหมดเลยเพราะฉะนั้นเราพระรูชาพูดถึงตรงนี้จึงเป็นเรื่องทุนกระแสที่ทําให้ปัญจวัคคีเนี่ย อ, อคือนี่ความเห็นยธรมาเองนะที่ว่าปัญจญวัคคีจะคิดว่าโนี่เป็นวิทยาการใหม่มากนะจึงจฟังพระรูชาสอนว่าอะไรเพราะตอนแรกนี่จะไม่ค่อยฟังอยู่พอฟังแล้ว เ, เรื่องของตันหานี่นะจึงเราจะถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องป ฏ, ฏิสุปสุมุปาท์เนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องตัวตันหาได้มากขึ้น ตันหาที่เราเข้าใจกันธรรมดาใช่ไหมว่ามีการมตัิหาความอยากในการใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้อยากรวยอยากอยากมีอยากได้พวกนี้อย่างที่2คืออยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นอยากที่จะเป็นคนสวยอยากที่จะเป็นคนรวยพวกนี้ก็อยากเป็นหมดแล้วอย่างที่3คืออยากที่จะไม่เป็นอยากที่จะไม่เป็นนี่ไม่เหมือนอยากเป็นนะไม่เหมือนอยาไม่อยากเป็นนะคือถ้าเราไม่อยากเป็นเราก็ไม่ต้องเป็นก็ได้ใช่ไหมแต่เราอยากที่จะไม่เป็น หนาอยากที่จะไม่เป็นก็เป็นความอยากเหมือนกันนะมันมันเป็นตรงนี้ที่ว่าสมมุติถ้าเราเราไม่อยากแก่อย่างเงี้ยเราอยากที่จะไม่แก่นะที่เราอยากที่จะไม่แก่แต่มันต้องแก่ตัวเราไงก็ต้องแก่พอเราอยากที่จะไม่แก่ที่เราแก่เราก็เลยจึงเป็นทุกข์เจ้า ค, ค่ะทีนี้นี่คือที่เราเข้าใจกันธรรมดาทั่วไปทีนี้พระเจ้าเคยพูดถึงตัณหาในรายละเอียดตรงนี้นะบอกว่าตัณหาเนี่ยนะที่เราที่ทุกข์ของเรามีเนี่ยเพราะเรามีความ ความยึดถือใช่ไหมความยึดถือมีเหตุเพราะตัณหาตัณหาได่มีเหตุมาจากอะไรไหนะที่เราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือตัณหามีเหตุมาจากเวทนาถ้าเรามีเวทนาเราจะมีตัณหาใช่ไหมอันนี้ก็ถูกเวทนาก็คือความรู้สึกนะค๊ะใ ช, ใช่ใช่ชอบไม่ชอบอะไรต่างๆนะนะแีนี้ครูเชาเคยพูดย้อนลงไปอีกนะย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็ย้อนลงไปนะว่าเวทนาทําให้เกิดตัณหาแล้วตัณหาเนี่ยมันแยกออกไป2ทางหนึ่งทำให้เกิดอุปทานก็ได้นะ อันนี้ก็เป็นทางที่เราพูดกันมาแล้วเมื่อวานนี้ทําไม่เราเกิดทุกข์หรือตัณหาเนี่ยทำให้เกิดการแสวงหาพอตัณหาเนี่ยทำให้มีการแสวงหาพอมีการแสวงหาแล้วก็จะมีการได้มีการได้แล้วก็จะมีการปร่งใจรักมีการโปร่งใจรักแล้วก็จะมีความกําหนัดด้วยความพอใจพอมีความกําหนัดด้วยความพอใจแล้วก็จะมีความสยบมัวเมาพอมีความสยบมัวเมาแล้วก็มีการจับอกจับใจพอมีการจับอกจับใจแล้วก็จะมีความตระลณีพอมีความตระลณีแล้วก็จะมีการห่วงกัน พอมีการห่วงกันแล้วก็จะมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั น, นเช่นการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบการด่าว่าทุกอย่างอากุศลเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อ ม, อมพูดอีกครั้งหนึ่งอันนี้นจะพูดเวไปหน่อยหนึ่งเอา ง, ง่ายๆเราไปทา่าศัพทสินค้าเราเจอของสิ่งหนึ่งต่างๆปุ๊บอุ้ยสีอย่างที่ฉันชอบเลยเกิดเวทนาแล้วความรู้สึกที่เป็นสุขมีสุขปุ๊บจึงเกิดตัณหาใช่ไหม พอมีอตัาหาอยากได้แล้ทีนี้พออยากได้แล้วทำอะไรเกดิดการสแสวงหาทีนี้การสแสวงหาแล้วในแะสวงหาด้วยด้วยกระบวนการต่างๆนะบางคนใช้เงินซื้อบางคนขโมยเขาบางคนไปล่อลวงเอามามีหลายกระบวนการนะก็สื่อสวอว่าสแสวงหาแล้วกันพอมีการสแสวงหาสมมุติเอาพาลูกไปท่าสินค้าอนะลูกอยากได้ของเล่นเกิดความอยากในลูกนะลูกเนี่ยเกิดความอยากในของเล่นนะจึงมีการสแสวงหาแม่แม่ซื้อให้หน่อย เนะพราะสมายง่าปุ๊บแม่ซื้อให้ลูกก็ได้แล้วนะพราะลูกได้มานี่ของเล่นเด็กนะคุณจใจเพอลูกได้มามเสร็จปุ๊บเล่นไปสักสองสครั้งโอ้หชอบมากเลยมีการโปร่งใจรักพอพอลูกมีการโปร่งใจรักแล้วจึงมีความกำหนับด้วยความพอใจในสิ่งนั้นนะตัวต่อเลโ ก, ก้ซื้อมาอย่างดีหรือว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หรืออะไรก็ได้เราซื้อมาแล้วเนี่ยเรามาเล่นสักหน่อยหนึงโอ้ปร่งใจรักแล้วจึงมีความกำหนับด้วยความพอใจอพอมีความกำหนับด้วยความพอใจแล้วมันจะสยบมัวเมาคําว่าสยบมัวเมาเนี่ยคืออยู่กับมันเน เคยนะบางคนนี่ซื้อของเล่นมาใเล่นของเล่นเจ้า่ามสี่ชั่วโมงไม่ยอมเลิกไม่เลิกเลยข้าวไม่ทานไม่นอนกัางวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเกมกดคอมพิวเตอร์หรือรถคันใหม่ซื้อมาเครื่องเสียงเครื่องใหม่ซื้อมาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่คุณซื้อมาเนี่ยคุณมีการได้มีการปรองใจมีกำหนัดด้วยความพอใจแล้วคุณจะเสยบมัวเมาไอสยบมัวเมาเนี่ยมันเมาอ่ะคนเมาเนี่ยดื่มเหล้า3าี่ชั่วโมงจนถึงเช้ามันเอาตลกโป่งห่าอะไรกันมันได้ตลอดแต่เพราะนั้นพอเราเริ่มเมาแล้วเนี่ย เราเมาในสิ่งนั้นเนะี่ยโอ้โหเริ่มละเริ่มละเราจึงจะมีความจับอกจับใจนะจับอกจับใจแล้วคือมันจับจิตของเราเลยนะเกาะแน่นเลยเหมือนกับไอ้ท่านคุณเตือนใจเคยเห็นไอ้ปลากรังใช่ไหมที่มันเกาะกระหินนะ่ะหรือว่าไอ้ใต้ท้องเรือเนี่ยมันจะมีหอยประเปทหนึ่งที่มันเกาะเนะี่ยมันเกา ะ, ะแล้วมันเอาออกยากมากเลยสกัดยากมากเลยต้องเอาค้อนตีเอาสิวมาเจาะ ก, ก็ยังยากอยู่ดีนะตรงนี้คือ ค, ความจับอกจับใจหนึบเลยกินใจเราเลยเหมือนกับเป็นปลั๊ก ติดอยู่เหมือนกับคาบหินปูนในฟันนะ่ะโม้แย่มากเลย<า>พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไ อ, ไอสิ่งนั้นมันกิ น, กนใจแล้วนะฝังรากลึกในใจแล้วนะมันจะมีความตระนีนจิตเราจะมีความตระนีนความตระนีนตรงนี้แกะออกอยากมากนะพอมีความตระนีนแล้วก็จะมีความห่วงกันนะใครมายืมไม่ได้ใครมาแตะไม่ได้ใครมาแอบมองไม่ได้ใครมาดูนิดนึงไม่ได้นะห่วงกันอนะ่ะก็จะมีอ่อจะมีะเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกัน จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการถ่วงการละนะอย่างพี่น้องด้วยกันเนี่ยผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ๆอุ้ย uh, น้องเห็นขอ ย, ยืมไปใช้บ้างก็จะเริ่มรักเธอใช้ทําไม أ, เปื้อนตรงนี้เธอไม่ซักให้ฉันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการถ่วงฉันละแล้วกระบวนการตรงนี้หมดเลยแต่ตรงนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรวดเร็วมากนะไอ้อย่างเราไปซื้อโทราศัพท์มือถือมาเครื่องใหม่ซื้อเกมกัคอมพิวเตอร์มาเครื่องใหม่ซื้อรถคันใหม่ซื้อเครื่องเสียงใหมนะ่ซื้อเกมมาใหม่พวกนี้อุยมัน กระบวนการนี้เกิดวับๆๆๆๆในสีของเราเราไม่รู้ตัวเลยทีนี้บุรุชาแบ่งแยกออกมาเนี่ยเพื่อชําแรกให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างพอตันหาเกิดแล้วะจะมีการแสวงหามีการแสวหาก็จะมีการได้มีการได้ก็จะมีการปรองจรักมีการปรองจแลักก็ ก, กำหนัดแล้วกำหนัดก็สยบมัวเมาแล้วเมาแล้วเริ่มมึนละมึนแล้ว ม, มันก็จะฝังร่างรึึในสีของเราเป็นความจับอกจับใจมีความตำหนี่ถอนออกยากแล้วก็จะมีการหวงกันมีเรื่องราวต่างๆตามมาเป็นพร่วน เจ้าค <C han> นะ่ะความทุกข์เป็นอเนกเลยตามมาเป็นพรนเลยนะที่เร า, เาด่ากันว่ากันทุกวันนี้ก็เพราะนี่แหละจะตันหานี่แหละมันทํางานอย่างนี้ที่เราขึ้นเ <C han> วที <C han> ด่ากันฝ่ายนี้ไม่เห็นด้วยกับฝนะ่ายนั้นก็ตันหานั่นแหละมันทํางานอย่างนี้อืเจ <C han> นะ้าค่ะที่พี่น้องทะเลาะกันมีคดีความในศาลฟ้องกันเป็นหลา ย, ลายปีไม่จบไม่สิ้นสัทีก็เพราะอย่างนี้นะที่มันมีการฆ่าการด่าการทําผิดศีลก็เพราะอย่างนี้เจ้าค่ะตรงเนี้ย เราจึงต้องคอยระวังอ่านี้กระบวนการหนึ่งนี่คือปัญหาที่เกิดอันนี้คือปัญหาที่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามารู้ดูจิตของเราเองนะเราจะระวังคอยที่จะระวังไม่ให้อกุศลเนี่ยมันเกิดได้พระพุทธเจ้าพูดถึงสติเนี่ยที่จะเป็นนายทวารคอยที่จะป้องกันไอ้เจ้าอากุศลมันมาเกิดนะไม่ให้มันเกิดในจิตของเรา อ, อีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าจะทําให้ท่านผู้ฟังเข้าใจได้มากขึ้นก็คือ เวลาที่มีอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วที่ตันหาเกิดนะแต่พอตันหาเกิดแล้วทําให้เกิดอุปทา น, นอุปทานแล้วก็มีพบมีชาติมีความทุกข์ต่างๆตามม า, า, าอันนี้ก็ไ ป, ไปไปทำตามกระบวนการของเขาในจิตนะในจิตของเราจะมีตันหาเสร็จปุ๊บจิตก็จะมีอุปทานพอจิตมีอุปทานก็จิตก็จะมีสร้างพบจิตไปสร้างภพแล้วจิตเก็จะไปเกิดแตตรงนี้คือเรื่องที่เกิดในจิต แต่ที่พูดมาสักครู่เนี่ยพอมีตัณหาแล้วจะมีการสแสวงหามีการได้ Denmark, มีการโปร่งใจรักเนี่ยคือเรื่องของภายนอกคือเรื่องของภายนอกคือจิตของเราก็จะไปแอสแสวงหาละ่ะแสวงหาทางกายทางวาจาเสร็จแล้วก็จะมีการได้พวกนี้จะเป็นเรื่องของภายนอกแต่แต่ที่พิจารณ์สุโมบาย ท, ที่พูดเมื่อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของภายในจิตอย่างเดียวเลยนะภายในจิตอย่างเดียวแต่ตรงที่พูดวันนี้เป็นเรื่องของภายนอกออืเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์อ่าคราวที่แล้วเราพูดให้ ได้รับทราบถึงเรื่องของภายในจิตนะเจ้าคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบแล้วก็นํามาเผยแผ่เนี่ยเจ้าคะ่ะเป็นปีที่ 2,600 ปีในปีนี้นะเจ้าคะแต่วันนี้เนี่ยพูดดึงมาเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากๆเลยเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านและก็บรรดาท่านผู้ถาสนาชนทั้งหลายเนี่ยได้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งนะเจ้าคะแล้วเท่าที่โยมฟังมาเนี่ยโยมเกิดความเข้าใจเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงแบบเหมือนกับ หาให้เราเห็นแบบทุกแง่ทุกมุมทุกมิติอะเจ้าค่ะของทั้งจิตแล้วก็ร่างกายที่จะมาเชื่อมกันอย่างไรนะเจ้าคะการทํางานของจิตนะเจ้าค่ะทีนี้พอมันมาเชื่อมกันตรงนี้แล้วเราขอทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัณหากับวิชาก่อนนะตัณหาเราพูดไปแล้วนะตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ดึงหลังเราไม่ให้เราก้าวหน้าไปได้นี่อวิชาเนี่ยที่มันเป็นตัวบังตาเราก็มีนะนนี่เรากําลังพูดถึงปัญหาก่อนนะเวลาที่เหลือนี่คิดว่าจะพูดถึงอวิชาได้ว่าอวิชาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเมื่อก่อนมันไม่ได้มี เนีมันมีเนี่ยเพราะว่ามันมีมาในภายหลังเนี่ยเ <c oughs> พราะมันมันมีอาศัยเหตุปัจจัยไอ้ตันหานี่อ ย, ย่างหนึ่งที่ที่แก้ปัญหากันยังไม่ตกก็คือความอยากเป็นนะความอยากเป็นเนี่ยคือภ า, า, าวาาาะตันหานี่มีอวิชาเป็นอาหารนะตันหานะมีอวิชาเป็นอาหารนะทีนี้ไอ้อวิชาเนี่ยมีอะไรเป็นอาหารนะอวิชาเนี่ยมีนิวรณ์ตั้ง5เป็นอาหาร คือ อ, อาหารเนี่ยมันทำให้เราเติบโตขึ้นมาใช่ไหมร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมทีนี้ไอ้ตันหาของเราเนี่ยมีอวิชาเนี่ยแหละเป็นอาหารก็ใช่ไหมอวิชาเนี่ยเป็นอาหารของของตันหาแล้วอะไรเป็นอาหารของอวิชาอะไรที่ทําให้ตันาห่ามันโตคืออวิชาอะไรที่ทําให้อวิชาโตขึ้นคือนิวรังหา้านิวรังห้านี่แหละทาให้อวิชามันโตขึ้นเป็นอาหาราของกันละกันนะนิวร์ทั้ง5นี่ก็อยู่ๆไม่ได้มาโตมันเองนะมันมีอาหารของมันอาหารของนิวรังห้าประการเนี่ยคือทุจริต3าอย่าง นะทุจริตทางกายวาจาใจนะทําให้นิวร์เนี่ยคื อ, อความอยากในกามความอยากในความโกรธในะความพยาบามความง่วงเหงาเฮานอนความฟุง้งซ่านนาการใจความเครือบแขลงระแวงสงสยัย5อย่างนี้คือนิวร์ห้เนี่ยมันโตขึ้นนะนิวร์ห้โตขึ้นเพราะว่าทุจริตทางกายวาจาใจนะคุณพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดนะีจริงคุณทําสมาธิไม่มีทางได้เลยมีแต่นิวร์เกิดขึ้น <Okay. S 1> ทีนี้ไอ้ทุจริตสประการกายวาจาใจอันเป็นความชั่วเนี่ยนะมันมาจากอะไรไอ้ทุจริตสประการเนี่ยนะคือกายวาจาใจอันเป็นความชั่วเนี่ยมาจากการที่เราไม่สมรวมอินทรีย์นะไม่สมรวมอินทรีย์ตาหูจมูกเิื่งกายใจไม่มีการปิดกั้นนะที่ตาหูจมูกเิื่องกายใจเราไม่ได้รับการสมรวมเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะนะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วรับรองไอ้การไม่สมรวมอินทรีย์นี่โตแน่นอน นะพอทำการมไม่สมรวมอินรียโตแล้วเจ้าทุดจิตสอย่างก็โตโตขึ้นพอชุดจิตสาอย่างโตขึ้นนิมมอลก็โตขึ้นนิมมอลโตขึ้นอวิชาก็ใหญ่ขึ้นอวิชายิ่ขึ้นตนายิ่งมากขึ้นอีก<ม>ทีนี้การมไม่สํารวมอินซีเนี่ยที่มีเหตุมาจากการสติสัมปชัญญะใช่ไหมมันมีอะไรมาเหตุไอคนอยู่ๆจะไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วนะมันมีเหตุมาก่อนคุณเดินใจนะเหตุ ข, ของบุคคลที่ไม่ได้สํารวมสติสัสมปชัญญะเนี่ยนะเพราะว่าเขาไม่ทําในใจโดยแยบคายคือไม่มีโย คนที่ไม่มีโยนิโสมนัสิกาเนี่ยอยู่ๆมันไม่ได้โง่มาแต่เกิดนะคือเขาไม่มีศรัทธาคือคนไม่มีศรัทธาทำให้ไม่มีโยนิโสมนสิการทีนี้คนทําไมมันไม่มีศรัทธาล่ะพระเจ้าก็บอกว่าก็เพราะว่าคุณไม่ได้ฟังธรรมะนะคนที่ไม่ไม่ได้ฟังธรรมะนี่ก็เพราะไม่ได้คบคนดีนะคือมันไล่ไปอย่างนี้คุณถ้าคุณไม่คบคนดีเนี่ยคุณมีเพื่อนชั่วคุณไม่ได้มีเพื่อนดีนะจะทําให้ไม่ได้ฟังธรรมะพอไม่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็ทําให้ไม่มีศรัทธา พอไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่มีการทําในใจโดยแยบคายพอทําใจโดยไม่แยบคายเสร็จแล้วก็ทําให้ไม่มีสติสัมปชัญญะพอไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็เป็นอาหารของความที่ไม่สํารวมอินทรีย์ละพออินทรีย์ไม่ได้รับการสํารวมนะกายวาจาใจก็เริ่มผิดละเป็นทุจริตสอย่างพอกายวาจาใจเริ่มผิดเป็นทุจริตสอย่างแล้วก็ทําให้นิวรณ์ตั้ง5้าเนี่ยมันโตพอหนิวรณ์ตั้ง5้ามันโตแล้วอวิชาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นพออวิชาโตแล้วตัณหาก็ยิ่งเจริญละความทุกข์ของเราก็ยิ่งมมีากขึ้นเลย อเพราะเหตุมาจากเพื่อนชั่วนะอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะดังนั้นเขาถึงบอกว่าให้คบแต่ อ, อบัณฑิตใช่ไหมเจ้าค่ะคบแต่คนที่ดีๆเพื่อว่าชีวิตเราจะได้นำทางไปในทางที่ถูกที่ควรเจ้าค่ะ เ, เพราะฉะนั้นในวันนี้ถึงจะต้องการสรุปตรงนี้ว่าปัญหาของชีวิตของเราทั้งหมดนะที่มีนะมาจากตัณหานะไม่ใช่สิ่งภายนอกน ะ, มะไม่ใช่สิ่งภายนอกทําให้คุณเกิดปัญหานี้นะตัณหาที่อยู่ในจิตของเรานี่เองเป็นปัญหา ตันหาเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะมันทําให้เรามีการแสวงหามีการได้มีการโปร่งใจรักมีความกําหนัดพูดพันมีการจะบอกจับใจมีความเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากความหงกันนะอันนี้ภายนอกที่เราเห็นได้ทีนี้เรื่องของภายในมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเรามีตันหาเกิดขึ้นนะตันหาเนี่ยมันโตขึ้นไม่ได้เพราะมีอวิชานะอวิชานี่โตมา ไ, มได้นี่เพราะว่านิวรณ์ทั้งห้านิวรณ์ทั้งห้าโตขึ้นไม่ได้นี่เพราะทุจริตทั้งสานะทุจริตทั้งสมโตมาได้นี่ก็เพราะว่าการไม่สมบรณ์อินทรีย์ นะไม่สมลุกอินซมีเหตุมาจากไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะก็เพราะว่าไม่ทำในใจโดยแยบคายนะมไม่มทำในใจโดยแยบคายก็เพราะว่าไม่มีสตานาะไม่มีได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่มีเพื่อนดี เป็นลักษณะนี้มามมเจ้าค่ะเขเรียกว่าเป็นเหมือนกับธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นอย่างที่พระอาจารย์ว่าเป๊ะเลยนะเจ้าค่ะจุมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้นะเจ้าค่ะอ๋ออันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังมาในเช้า ว, วันเสาร์นี้ดิฉันคิดว่าเกิดความกระจางเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ที่10มิถุนายน อาจจะได้กราบน้อมัสการพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุโนโท่านได้เมตตา ม, มาสากระช้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อแหละค่ะคราวนี้เราจะลงให้ลึกลงไปอีกทางนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้อรับทราบถึง สิ่งที่เป็นแก่นคําสอนของพุทธองค์อย่างแท้จริงก็คือเรื่องของอความธรรมะที่อาศัยการและการเกิดขึ้นก็จะได้เป็นประโยชน์ในการที่ท่านจะไปปรับใช้ปรับใจของเราเองรวมทั้งปรับการดาเนินชีวิตและความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากต้นเหตุต่างๆอย่างที่พระอาจารย์ไพบุรณรอภิปุโนได้เมตตาสากกะามาแล้วนะคะสำหรับเจ้าวันนี้คงจะต้องนําท่านผู้ฟังกราบน้มสักการะพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะในเวลาตีหเหมือนเช่นเคย หลังจากเปิดสถา น, นีนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะ